ปณิถานาโตปทฏฐานะถาคตาสะถาสะปังรมิโยทถาสะอุปปังรมิโยทถาสะปังรมัตถาปังรมิโยปัญจมหาปังริจจากเฆโลกาถาจังริยหญยตัทาจังริยหะพุทธาจังริยหะติติโสจังริยาโย ปัติมะพวเวขภะโวกันติงชาติงอภินิคขมนังปธานะจังริยังโพธิพันลังเกมังกระวิชยังสัพพัญยุตัญญานัปปิเวทังธัมมะจักกัปวัตนังนวโลกุตังกระทัมเมตีสัพเพปิเมพุทธคุณเนาวะชชตวาเวสาลียา สุปะคังรันตังเรสุติยามกรัติงังกริตังคังกรอนโตอายะสมะานันทเทงโรวิยะคังกรุญญาจิตตังอุปัฏฐเปตโทะโกติสัตสหาเสสุจะกขวะเลสุเดวะตา ยาสานังปฏิคันหันติยันจะเวสหาลียาปุงเรโกรคามนุสสถุกพิขะสัมภูตังติวิธังพยังคีปัมมันตัณกระทาเปสิปังริตังตังพนาไม่ ญาณิทัพพัวตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวานตะเลเคสาเพวพัวตาสมุทลาวันตุอโธมปิสากาจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพัวตานิสามเมทาสาเพเมตังกัลโรธามนุสิยาปชาญาธิวาจลระตุ จางรันติเยผลิงตาสมาหินเนรราคาระอาปมาตายังเกณฑิเวตาอิทวัหุงรังวาสัเฮสุวายังรัตนังปณีต่างนนโนสมังอัติตาทากะเตนะอิทรรมปิพวทเทนรัตนังปณีต่างเอเตนะซาเจนะสววติโหตุกขยังวิงราคังอมตะตัง ปณีตังยถาชกาสสะกยมุนีสัมมาหิตตัวนาเตนะธาเมนะสมาธิคินจิธรรมปิธรรมเอระธนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังผูทะเสทวัปริวันณะเยสุจิงสมาทิมานันตริกัญยามาสมาทินาเตนะสมัวนาเวชติธรรมปิธรม เมรุรัตนังมณีตังเอเตนัสาเจนัสวัติหัวตุเยปุคละอัตตสตังปัสสะถตาริเอตานิยุคานิหนติเตหคินนายสุขตาสสาวกาเอเตสุธินานิมหผลานิธัมปิสังเขรตนังมณีตังเอเตนสเจนัสวัติหัว สุเยโสปโยตามนสาธาเห็นานิกามิโนะโวตมะสาสนานิเตปาติปาตาอมาตังวิขัยหาลัทธามุธานิพุติงพูนชมานาอิทรรมปิสังเขรตนตังปนิตังเอเวนัสาเจนัสวาธิหัตุยถินทขีิโลปทตวิสิตติยาเจตุพิวาเตปิอาศัม กรมมิโยตถูฐุปมาสสะปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจภาสสติธรรมปิสังเคระตังบันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคำเพรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจามิเตหนติภูสังพมาตาณเตภวังอาธรมามาทิ ญาณที่ทำปิสังเขรตนังปณิทังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุสหาวาสะทาสนาสัมปทาญาตาสุธรรมชะหิตาภวันติสากกายเทติวิจิกิจตันจสีลาภตังวาปิยญาธาติเกนฑุจะตูหปาเยหิจะเวประมตโตชาชาพิธานานิอาภพภะตาตุง อิธรรมปิสังแขรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุกิจจปิโสกรรมกโรติปามังกาเยนะวาจาอุทเจตสาวะอาภะปโสตาสปเตชะทายาภะปตาเทธปธาสาวตาอิธรมปิสังเรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโห ตัววนาภคุมเพยยถาพสิตาเขเฆมหาณมาสปัตมาสมิงเขมเหตตถปัมมังธรรมะวังรงอาเทสยินิพานคามิงปังกระมิงฮิตายิธรรมปิพุตเรตนนังปนีตังเอเตนะสัจเนะสุวติโหตัววันโรวังรัยววังระโทวังราหังโรอนุตันโรธรรมะวันรัง เทสยิธรรมบิปุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัธิโหทุกขนังปุงราังนวานาธิสัมภวังวิราตเจตายะทิเกภวะสมิงเตเขนะพีชาเวรุนิฉันธาเนพันติเทิงรายทายางปทีปวันธรมบิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะ สวะทิโหตุยานทัพตานิสมามตาเนผูมาเนวายานิว่าอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสพูจิตังพุตานมามาสัมมัวะทีโหตุยานทภพพตานิสมามตาเนภูมาเนวายานิว่าอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสพูจิตังธรรมังนามาส สมาสุวัติโหนตุยานิทัพพุตตาณิสัมมาคตาณิภุมมาณิวายานิวะอันตลิเขตธากาตังเทวมโนสพูจิตังตังตังนามาสมาสุวัติโหณตุ